การปฏิบัติธรรมคือการเอาชนะกิเลสถ้าเราเอาชนะจิตใจที่ไหลไปตามกิเลสไม่ปล่อยใจให้เป็นไปตามกิเลสได้ก็เรียกว่าเราเอาชนะใจตนเองคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะตน ไม่ใช่สอนให้เอาชนะผู้อื่นชนะผู้อื่นมากสักหมื่นแสนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับเอาชนะตนการเอาชนะใจตนเองได้นี่เรียกว่าเรามีธรรมะพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมะรังสี ในยามเช้ า, ชารุ่งอรุณของวันใหม่เป็นเย็นเวลาที่ดีสำหรับทุกชีวิตจิตใจที่เป็นปกติกี่หลับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเราอย่าปล่อยให้ความคิดที่กกังวลทุ่นคิดปในอดีตในอนาคตเข้ามาครอบงนจิตใจเราอนนันทำให้ใจเราเศร้าหมอง ขั้นแรกของกคิดเราควรจะพยายามให้จิตใจที่ปลดปลงโดยอาศัยสติให้สติเข้าถึงจิตใจเราก่อนใจเราจะส ด, สดสชื่นสดใสทุกๆวันเลยแต่ถ้าหากว่าสาดตาตอนนี้กาลังคุ่นคิดไปแอารมต่างๆก็ไม่เป็นไรเมื่อมันคิดแล้วตอนแล้วไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปเป็นทุกอย่าไปกังวลแล้วก็พยายามที่จะ รู้ให้ทันในความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนีย้ยังไงก็สติรู้ไว้ก่อนถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับปิดใจเราเสมอๆอยู่กับความคิดแล้วก็มีสติสติก็ว่าเรามีผู้รู้อยู่ในจิตใจเราแล้วผู้รู้เนี่ยก็คือบัณฑิตเป็นอย่างี้บัณฑิต แปลว่าผู้รู้ถ้าใจเรารู้ตัวเรามีผู้รู้อยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีบัณฑิตอยู่ในจิใจเราแล้วเกียงพอเลยท่านเจ้าเจ้าเนี่ยท่านมีชื่ออีเดียว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติมีความมรู้ตัวอยู่กับตัวเรา ถ้าว่าเรามีพระเจ้ามีแนวจิตใจเราแล้ ว, ลวเราเป็นพุโทโธแล้วเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วอันทีอยู่แล้วพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จากมาไปไหนหรอกท่านจากไปเฉพาะพระวรากายแต่ภาวะของท่านเนี่ยยังมีอยู่สมงเสมอในโลกภาวะของพระเจ้าก็คือผู้รู้ ผู้ตืนผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกฝนจิตใจเราให้จิตเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นรู้โดย บ, บานตุตรอยู่เสมอเราก็จะได้เข้าเฝ้าพ ร, พระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าที่ในจิตใจเราเสมอสมๆใครเขาตามจะมีเทพมีองค์มีอะไรสิ่งทุกิ์อยู่ในจิตใจนั้นรักษาใจนั้นไม่สําคัญไม่ตัดสินเท่อกับเรา มีผู้รู้คือสติคือความสุขตัวที่นในจิตใจเราถ้รามีสติอยู่กับใจเราแล้วเนี่ยถ้ากับว่าเรามีพระพุทธเจ้ า, าคุ้มครองดูแลใจเราอยู่มีพระพุทเจ้าคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะสร้างสติสร้างความสุขตัวให้มีขึ้ในในจิตใจเราเสมอๆ เ, เราจะปลอดภยัย ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากกิเลสสมานทั้งหลานนยไงเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวมีผู้รู้ในจิตใจเราแล้วให้ภาวะอย่างเนี้ยภาวะผู้รู้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจเราเนี่ยตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วอย่างน้อยศีลก็บกริสุทธิ์ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัว อยู่กับตัวเรามเสมอๆ เ, เป็นปัจจุบันเนี่ราก็ทำใจให้เราเป็นปกติบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียเดเบียนใครแม้แต่ใจเราเองก็ไม่ได้เบียเดเบียนให้เป็นทุกข์เพราะใจเราเป็นปกติแล้วก็ไม่ทําให้ใครต้องเป็นทุกข์เพราะความเป็นปกติของใจเรามีความสุขสบายใครก็จะวุ่นวายขับสนไม่เป็นปกติก็ไม่เป็นไรจะปล่อยให้ความไม่เป็นปกติในชีวิตของคนถื่น ทำร้ายความเป็นปกติในชีวิตของใจเราของตัวเราเราต้องหมั่นสุนตัวอยู่เสมอต้องไม่ได้ไปลักขโมยไปพอใจเราตัวเราเราเห็นไหมกายเรากําลังเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่กําลังทํากับข้าวกาลังเดินจนกมกรมกําลังฟังธรรมะเราก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย เรามีสติลเล่นล้วงออกไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันกายที่เคลื่อนไวหวแล้เรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ได้นี่แหละคือรูปธรรมก็คือเรื่องของรูปจิตที่รู้ก็คื อ, คอจิตมันไม่ใช่เรากายเคลื่อนไหวใจที่รู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ศัตไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสติที่รู้เนี่ยอย่าไปตูอย่าไปตูว่าเป็นของเรา ถ้าตู่เป็นพวกเราเมื่อไหร่แล้วก็ผิดธรรมหรือว่ผิดสิ่งพนานจิตใจก็ได้สิ่ใจสิงปรมามะเป็นสิ่งของพระอริยเจ้าซึ่งไม่ตู่ว่ากายใจนี้เป็นของเราเป็นเนพียงแค่เครื่องอาศัยขอยืนเขามาชั่วคราวเรารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้สิงข้อที่สองอคินาทานมันก็ไม่ผิดไม่ผิดพนานจิตใจนะ เราสุดตัวสม่ำเสมอในการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้เป็นรักขโมยของรักของห่วงค่าของใครแม้แต่ความคิดนึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขในเรื่องการก็ตามเราก็รู้ไว้ดีดอย่าเอาเป็นของเราถ้าเราเรื่องของการตามคร่ตามชอบทางด้า น, นได้ยินได้ฟังได้ดูเป็นของเราเมื่อไหร่ก็เราผิดสินใจละ จีนไม่ั่งิตใจปัญหาหนกเราเป็นแค่รู้วิธีจีนเมือเวลาเรามีอารมณ์ชอบใจเรารู้สึกตัวเป็นประจําเสม อ, สมอว่าจี่กันมีความคิด ท, ที่จะพูดอะไรก็ตามย่อมไม่เกิดขึ้นไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเหลวไหลแม้แต่คําพูดก็ไม่มีขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเสมอว่าเสมอ สิ่งข้อมุสาก็บ่อยยันใดก็ตามที่เราอยู่กับการทํางานอยู่กับการเจริญสติเท่านั้เรามีตัวผู้รู้ไม่ได้มีตัวผู้หลงมีตัวผู้รู้อ่กับตัวเราเสมอๆตุลาเนี่ยไม่ต้องไปพูดผิดเพราะเราไม่ได้ตจสิ่งเราเนี่ะ ท, ทําให้จิตกจเราต้องรุ่มหลง ุ่มหลงแล้วทําให้สีทั้งอ้าทั้งตัวเนี่ยเรามองไปในแง่สีดําหมดเลยคือไม่มีความตื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีความรู้กตัวอยู่กับตัวเองเป็นปัจจุบัน น, นี่นแหละผู้รู้กับผิแลเรามีที่พึ่งแล้วไม่ได้ผิดสินงข้อไหนเลยอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งกายเป็นศิลปรมัด เป่เรียกว่าอาริยะกันพิสัยสิ่งที่พระอริยชอบใจเป็นศีสิ่งหน้าประลามัดล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเราจริง น, น, นำเอาการปฏิบัติการเจยอะก็ตึง น, นาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันประยุกต์ใช้ให้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าตอนนี้เราปฏิบัติพอออกจากการปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ไปฏิบัติเราต้องไปทํางานไม่ใช่ ให้มันต่อเนื่งประยุกต์นำอเอาไปใช้ที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอิริยาบถมีปัญญาในการทำอะไรจะกินก็นนดีจะ เ, เ, เคลื่อนไหวด้วยวิธีไรก็ตามให้เราพยายามเติมปฏิบัติอยู่เสมอไม่ต้องไปมุ่งหวังอนะไรทำถ้าอยู่เราทําได้อย่าไปมุ่งหวังอนะไรเราทําตรงไหนได้ก็ทำเมื่อเราหลงลืมไปแล้วแต่แล้วเป็นไงเราก็กลับมารู้สึกตัว เราจงพอใจในสิ่งที่เราทําได้อย่าไปพอใจในสิ่งที่เราทําไม่ได้จงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรารู้สึกตัวอยู่การฝันอย่างเนี้ยเรามีทุกไหมเรามีทุกอะไรใจเราเนี่ยสบายสบายดีอยูเอ่เอาตรงนี้ไว้ก่อนดับทุกตรงนี้ได้แล้วก็เอาตรงนี้ไว้ก่อน เป็นปัจจุบันให้รู้สึกตัวยบางครั้งบางท่านเนีอาจจะมีความเก็บไข้ได้ป่วยมีโรคทางกายก็าตามก็อย่าไปทำอันนั้นเป็นเรื่องของกายอย่าไปมุดหยิบทอแท้ท่อหมองสาดแค่ตัวเองช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมันจะเป็นการซ้าเติมโรคทางกายเราให้มากและจิตใจเราก็ไม่ดีจะไปทำอย่างนั้นทำไม เมื่อร่างกายมันเก็บไขได้เปิดไปแล้วก็เรื่องของกายเราก็แค่ขายไปเราทําใจให้ดีเข้าไว้เมื่อใจดีแล้วเนี่ยโรคทางกายมันก็จะพวกเราเบาบางลงไปเองถ้าตามใจใจของเรายังมุออกจิตน่องหมองกุ้นวาอยู่แล้วกายก็ไม่ดีเลยโรคก็จะกำเริบ ม, มากองทําใจให้สบาย้ก่อนมันทําอะไรไม่ได้กับทําใจไปก่อนท่านผู้ผ่าน อย่าไ ป, ป็นิดตัวใจเราเลือกได้โรคทางกายเราเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เลือกทางใจเอาไว้ก่อนแก้ไขทางใจบางทีเราแก้ไขใจเราได้แล้วเงี่ยทีกายไม่ต้องแก้ไขเลยนะเท่ากับเป็นการปล่อยวางไปในตัวเมื่อใจดีแล้วกีเลสก็ไม่ครอบนะครับบนเราเพอกายเราเป็นโรคภายแค่เจ็บแล้วก็ใจมักเก็ูทุกข์ไปด้วย ก็เป็นการซ้ําเติ่ใจเราเองไม่ต้องไปทำอีกนะไม่ต้องไปทำอีกนั้นเอาชนะร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรเอาชนะใจเราได้เอาชนะใจเราได้เมื่อไหร่ก็เขาก็เป็นการเอาชนะตัวเองอย่างที่จุภาติที่พระอาจารย์สุรศักดิ์กล่าวไว้ที่คุณสีนาศอ่านไว้เมื่อต้นรายการเนี่ยช่วยได้ช่วยได้เลยที่เอาชนะใจตัวเองถ้าอกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะพักผึดปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่กับตัวเราอยู่เสมอๆในปัจจุบันอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆแม้ว่าเรายังไม่เห็นผลในปัจจุบันคือยังไม่บรรลุมรรคผลพิพานหรือดับเพลยงกิเลสกองทุกข์ร้ในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆโอกาสข้างหน้าวันข้างหน้าเนี่ยเรายังมีโอกาส เรายังมีโอกาสอยู่อย่าท้อแท้อย่าซึมหวังอย่าซิมหวังเพราะว่าชีวิตของท่านผู้ฝั่งเนี่ยส่วนมากก็ ย, ยังเป็นข้ารุ่งหันคารว่าต้องมีภารกิจหน้าที่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมไปกับการทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยการคลองชีวิตการคลองเงตือนก็ยังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างใช่ไหมครับ เรายังมีความฝาสุขสงบเย็นอยู่บ้ากกับการปฏิบททัติธรรมบางทีอาการภายนอกาการที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมมุติเนอากจะวุ่นวายอยู่บ้างแต่ว่าใจเราเนี่ยก็ยังมีการสงบเย็นได้บ้างเหมือนกันความทุกที่มีอยู่ก็ยอดจะลดน้ อ, อยลงไปปัญหาก็ลดลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติอย่างสมอเสมอ เกิดการมีคดีอยู่เสมอเสมอการปฏิบัติธรรมเราทําได้ทันได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่คือนที่วัดทำมาแล้วเป็นอาการิโตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการและผลการปฏิบัตินั้นก็ย่อมเกิดมีขึ้นได้กับสัมมาปฏิบัติที่เราทำํำเสร็จจะยังให้ท่านมั่นใจได้ มั่นใจได้ในการปฏิบัติตั่นใจในเรื่องการดับทุกมั่นใจในวิธีการดับทุกแล้วก็มั่นใจในทุกเจ้าว่าทําให้มีซึ่งในใจเราได้กินภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่แล้วในจิตใจ